ต่อไปนะครับอันนี้แสนจะให้ดีของพิสุเบตองมาดูในอุโบสิที่ก่อนนะครับขอ้ขอที่หกนะครับสิสุรูป <แน S 2> ใจ<น>ขอผ้าหรือใช้ให้ขอกราบข้อเจ้าเรือนก็ดีแม่เจ้าเรือนก็ดีผู้ที่ไม่ได้เป็นญา ยกเว้นแต่ขอในสมัยที่สมควรต้องอาบัติปาจิตติที่มีการเสียสละเป็นวินัยกรรมในการขอข้านั้นมีสมัยดังนี้คือเมื่อทิสูถูกแย่งชิงข้าไทยหรือเป็นผู้มีจีวรหาใช้ไม่ได้นี้เป็นสมัยในการขอข้าน่นนะ พระขอผ้านะอันนี้ก็เหมือนเดิมเนาะผ้าที่ควรจัการคือถางหรือวิกัม น, นะครับตั้งแต่ขณะนั้นขึ้นไปขอก็ดีใช้ขอก็ดีนะครับพ่อเจ้าเรืมแม่เจ้เรือพ่อจะเรืเรอรคือผู้ชายที่อยู่คองเรือนนะครับแม่เจ้าเรือคือผู้หญิที่อยู่คลองเรือก็หมายถึงนะครับผู้ที่ไม่ได้บวชไม่ได้บวชเป็นพิสุพิสุณี ัแล้วก็ผู้ไม่ใช่ยากิเพาไม่ได้เป็นยากถ้าถ้าเป็นยากิไม่เป็นไรขออะไรมาเลหน้ายาติชั่วโค่นแะล้ขอเป็นเอถอะแต่อย่าหน้ารื้อไหวเรื่องนะแล้วก็ดูพฤติกรรเข้ามีความสงสัยหรือเ่าถ้าเป็นยาติเรอันนี้ไม่ใช่ยากินะที่เป็ น, นาอามปากคำนี้ครับ <c oughs> เอเยกไว้แต่สมัยที่สมควรนะสามารถขอได้ถ้ับอกว่าสมัยในการขอผ่านนั้นมีสมัยนั้นนี้คือ เมื่อพิสูจน์นะครถุงแย่งชิงเอาผ้าไปคือสมัยก่อนนะมีพวกโจในอินเดียนะเป็นพวกขอทานบ้างอะไรบ้างครับถ้าบอกว่าเป็นพวกพราชาก็ดีโจไม่หรือนั่งเรงก็แลแ่แสนนะมาแย่งชิงเอาพวกจีวะของพระไปะครับมีนะสมัยก่อนมีนักขานใครขนาดว่าแย่งชิงเอาจีวะที่ผมไปนะครับเอาเปทั้งเรื่องทั้งตัวเลยนะเหลือวแม้ผ้าร่อนเจ้าหนุ่มยังได้ครับพวกเขาขัดสนก็ไม่มีจริงนะ ว่าขามยแย่งเชียวไปนี้กั่นเลยนะครับมาแคพวกพวกใช่ไหมที่ว่าสมัยก่อนนะพวกขอทานพวกอะไรเนะี่ยเข้ามาลกลา้นนะครับวัด่นประเทศอินเดียถ้าไม่จไมงใจก็สู้ไม่ได้หายนะเพราะมันเยอะมากถ้มามาสันโงอะไรเนะี่ยมันเป็นไม่รู้กี่คนนะถ้าเยอะมากนะนะครับจะมีอืมครับอันนี้นะสมัยนี้ขอได้ หรือว่าเป็นพุ้นวินจีวอเสียอาหายใช้ไม่ได้ะครับถูกไฟไหมนะ้หรือว่าถูกปวกกัดจนเสีย า, าใช้ไม่ได้เลยอันนี้ขอได้นะครับแต่ถ้าไม่ใช่ในสมัยนี้ไปขอกับผู้ที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่โจนาก็ต้องอาบัตินิสกิยปันตีสิษฐาบทนีค่ครับไปก็มาดูครับอะไรนะที่ทางต้นบรรยัต หนึ่งเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดเรื่องของเท่าปนันทาศานคยะบุตรนะคระับเท่าปนันทาศานคยะบุตรนี่ไม่ใช่ธรรมดานะบวกจากสาคยะตระกูล น, นะครับอาารบอกว่าเป็นพิสูจผู้บวช่ากสาคยะตระกูลประมาณแปดหมืูปนะที่ออกตัวตาพุทธเจ้านะตอนที่พระองค์เสด็จไป โรพระญาใช่ไหมครับนี่เนี่ยสกยาตระกูลนะพวกคนบุตรในสกยาตระกูลต้องแปลงหนึ่รูปของบัวนะครับแต่เอาเข้าปนันท่าเนี่ยก็เป็นรูปแบบรูปหนึ่งนะแต่ว่าท่านเป็นพิสุเลวสารมีชาโลเล่ไม่่อยดีนรับเพิ่มไม่ค่ดีหรอกแล้วจเจอหลายเรืะะ่องถ้าเกี่ยวกัปนันท่าเนี่ยส่วนใหญ่เกี่ยวกับรูป ถ, ถึ่งท่านจะโลกนะความโลนะเยอะห น, อนะครับ โดยสมัยนั้นท่านวพ่าเจ้าประทับอยู่หนพระเชตวันอารามของอนาถาบิิกาข้ามบดีเขถพระนครสามัคคีครั้งนั้นท่านพระอุ ป, ปนันทาสากยบุตรเป็นผู้เชี่ยวชาญแสดงธรรมีกถาว่าแสดงธรรมเก่งนั่นไม่ใช่ธรรมดาแล้วก็มีเสียงไพเราะลู่นนะครับโยมใครชอบนี่นะจึงเศรษฐีบุตรผู้หนึ่งเข้าไปหาท่านพระอุปนันทสากยบุตร ขั้นแล้วที่ว่าท่านพระปนันธาสากยบุตรแล้วนั่งนั่ที่ควรเสื่อมข้างหนึ่งท่านพระปนันธาสากยบุตรได้ชี้แจงวิธามีคาถาให้เศรษฐีบุญนัสมาทานอาหารร่างเลงแล้วเข้าสัตหารื่อมใส่นะครับเนื้อเมื่อพระอุปนุคเขาแสดงทายฟังนั้นแล้วเศรษฐีบุญนั้นก็ได้ปวารณานะครับได้ปวารณาท่านพระปนัทาสากยบุตรในทันใดนั้นแลอย่างนี้ว่าท่านเจ้าข้า ขอพระคุณเจ้าพึงบอกสิ่งที่ต้องประสงค์คือจีวรมินดบาบเสนาสะนะเพศ บ, บริทานเป็นปัจจัยของพิสุขให้ซึ่งข้าพเจ้าสามารถจะจัดถวายแด่พระคุณเจ้าได้เข้าบนะาเข้าโบนาปุ๊บท่านก็ขอเลยนะแม่ดีน้อยอ่ะคขอเลยท้าว่าประธานสาัญญาบุตรได้กล่าวคานี้ก่าวเศรษฐีบุตรนั้นว่าถ้าต้องประสงค์จะถวายแกต่ตมาก็จงถวายผ้าสารกพื้นหนึ่งสักผ้าเหล่านี้น คือผ้าที่เขหนุ่งผมนะขอเลยนะยอมสักการถวายสมาใช่ไหมเอานี่แหละถ้าที่โย่หงมาแล้วพื้นได้พื้นหนึ่งลาดนะเสรดีบุกก็เลยขอผ่านนะครให้ไม่ได้หรอกมันหนุ่งผมมาใช่ไหมท่านเจ้าค่ากับผมเป็นคุณบุญจะเดินไปมีผ้าผืนเดียวดูกระไอยู่จะเดินกลับบ้านเนี่ยหนุ่งผ้าผืนเดียวใช่ไหมแล้วก็มันผ้าผมนี้นะก็มาดูยังไงอีก่นะข้าเป็นบุเรษฐีด้วยอะไรด้วยนะครับ ก็รอ อ, อยู่ช่วงเวลาที่กับผมกลับไปบ้านกับผมไปถึงบ้านแล้วจัจัดส่งผ้าสาดพืนหนึ่งจากผ้าเหล่านี้หรือผ้าที่ดีกว่านี้มาถวายนะครับอันนี้เลยนะให้ส่งมาให้นะครับหรือว่าเอาผ้าดีกว่านี้เลยแม้นะครั้งที่สองท่านก็ไม่ยอมท่านก็จะเอาตอนนั้นให้ได้นะก็อ่านก็พูดเหมือนเดิมครับว่าถ้าท่านประสงค์จะถวายแกธรรมาก็จงถวายผ้าสาดพืนหนึ่งจากผ้าเหล่านี้ เศรษีมันก็ขอผัดเป็นครั้งที่สองเหมือนเดิมนะครับนเนี่ยพ่อชายยก็ขอเป็นครั้งที่สาเข้าขอผัดอีกเป็นครั้งที่สานะครับพอครั้งที่สามนี่เสรษีบุตรขอผ่า น, านี้มาขอไปบ้านมาใช่ไหมมันจะส่งมาให้ครบับเพ่อไทยยิ่ก็พูดลุกหลานเลยนะ <c oughs> ไม่ใช่พ่อชายยิเ <c oughs> ข้ากนันท์ น, นะครับก็พูดตัดพอ้ออะไรนะว่าถ้านไม่ประสงค์จะถวายจะภ า, าวนาทาไม โอ้โหโยมในใจเสียเลยนะครับท่านปออนาวแล้วไม่ถวายจะมีประโยช น, น, น์อนะไ ร, รนะครับนี่เลยบีบมาเข้าเขาเลยนะเสรดีบุตรนะครันั้นถูกท่านเจ้าปนาชาสารกายบุตรแคคคายจึงได้ถวายผ้าสาหลงถืนหนึ่งแล้วก็กลับไปกลับไปมีแต่ผ้านุ่งกับผืนเดียวใช่ไหมผู้เสรษฐีบุตรไม่ได้ห่มผ้าไปไงี้นะเชาวบ้านพมเสรษฐีบุตรแล้วก็เลยถามว่านเนี่ยทําไมท่านจะมีผ้าผืานเดียวเดินกลับมา เขาเลยเล่าด่วยชาวบ้านนี้ไปครับชาวบ้านก็เลยแห่งโท้ิรเตรียมปานาน้าว่าพระสัมมาสมาัมพุทธเจาพระธรรยบุตรเหล่านี้มากๆไม่สโดดจะปฏิบัติให้ถูกตาที่เขาขอผ่านโดยธรรมสักหน่อยก็ไม่ได้เมื่อเศษฐีบุตรกระทำการขอผ่านโดยธรามฉะนั้นจึงได้ถือเอาภาษาดกไปเล่านะครับ คื่อทั้งหลายณดีมชาวบ้านหลังนั้นเฆ่งโธ่นะครับบรรดาที่เผู้มากหน่อยสันโดษแล้วก็เฆ่งท่หรือเจริญพัฒนาและก็กราบหลวงพุทธเจ้าสรงสร้างพระเจ้าองค์ประชุมสงส่งสอบถามพระอุทานยีนะครับตรง น, นี้นะมีคำสอบถามเนี่ยท่านจะที่บางเกี่ยเรื่องนี้นะครับ <c oughs> ว่าดูก่อนุปนัน์อุ ป, น, อ น, อปนันทะข่าวว่าเธอขอจีวรต่อเฉทีบุตรจริงหรือถ้าพรปอุปนันท์ถูล่ำ บ, บ้านถึที่บุตรเจ้าฆ่า ดูกรป น, น, นันทาเขาเป็นญาติของเธอหรือมิใชย่ามิใชย่าพุทธเจ้าค่ะนะครับตอนนี้เราสงสัยนะครับว่าทำไมพุทธเจ้าถึงตัดสินว่าเป็นญาติไม่ใช่ญาติทานนิสัยศีบุญเนี่ยท่ า, กานาก็ปวารณาต่อท่านพระปนันธาแล้วนะครับตรง น, นี้นะคะท่านจะอธิบายไว้นะอธิบายไว้ในดีการนะครับว่าคนที่เข้าปวารณาแล้วนะ แต่เข้าไม่ปรารถนาที่จะถวายนะครับคนอย่างนี้ก็เหมือนกับคนที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปอน ะ, นะครับมัน <c oughs> จะมีความบางพ่วกนะพอเวลาเขาฟังทำปุ๊บใช่ไหมเข้าเกิดศรัทธยเรื่องสารปุ๊บปั้มในขณะนั้นนะครับแล้วก็มีการเชื้อเชิญหรือพูดออกไปใช่ไหมด้วยอนนานาจนะครับเป็นธรรมเนียมนะในการฟังเขาไม่เข้าเฉยนะครับเ้าพูดออกมานะเป็นธรรมเนียม คือป้อน่าไปไปทำเนี่ยเท่านั้นเองในกานในสัมมาทั้งหลายนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นผู้ที่ต้องการจะถวายนะนะครับคาวนี้ก็มีกันนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็เลยบอกว่าเนี่ยจากของนะครับพูดถึงวิญญาณนะเพราะฉะนั้นนะครับก็ชื่อว่าเป็นวิญญาณนะเพราะนะครับเพราะว่าคนที่ไม่ใช่ยาไม่ใช่ป้อนะ ลักษณะนี้นะครับและล้าตอนนี้เราจะรู้ได้ยังไงไอ้ตรงนี้ที่เรารู้ได้เรารู้จากที่ว่าเวลาเขาประทา่าในขอและเขาไม่ให้นะคร<ม>ับเราพอรู้ได้ว่าตนี้เนี่ยเขาศรัทธาปุ๊บปั้มในขนาดนั้นมากแล้วก็นะครับตรงนี้มันก็ถ า, ามอาจารย์มันก็สงสัยเอ๊ะเดี๋ยวจะรู้ได้ยังไงอาจารย์ก็บุญดูอยู่ตรงนี้นะครับที่เขาขอผันนะตรงที่เขาขอผันก็ก็ถือว่าตรงนั้นเน่ะเขาก็ไม่ใช่ปรนนานะ แต่ถ้านก็ยังแค่ใ้แต่เอาให่ไน้าก็เท่ากับว่าของคนที่ไม่ใช่ปวร์เนี่นี่ก็มีโทษคือก็อาจจะเ็นคนที่ที่ว่าจะรู้ได้ดเนี่ยเราจะรู้ได้ดีไหมก็ว่าเขาเขาเป็นโยมที่ปวรนาดีไม่จริงหรือว่ารู้ว่ายูปวรนาโดยโดยระไรเนี่ยหรือยังหรือเรื่องอะไรก็ได้น่าจะถามก็ได้ครับ ตอนนี้พญิฆาตอธิบายคําว่าธรรมะนิมมตานาตรงนี้นา่าจะอยู่ในคำว่าที่ว่าขอผ่านโดยทางนะครที่อธิบายคําว่าการขอผ่านโดยทางนะเนมีการก็อธิบายว่านนครับนิมมตนาหญิงนะอันนี้เขาจะขอผ่านคือการเชื้อเชิญนะครับด้วยหน้าสักกว่านะครับอ่าเป็นนะความประพฤตินะครับที่เป็นธรรมเนียมนะ ความประพฤติอันเป็นธรรมเนียมที่พึงกล่าวในสมณะทั้งหลายนะครับความพฤตที่เป็นธรรมเนียมและที่พึงกล่าวในสมณะทั้งหลายนะครับการเชื้อเชิญลักษณะนี้นะครับที่กระทําแล้วนะแต่ไม่ได้ใคร่เพื่อจะถวายหรอกครับเพราะเห็นนั้นท่านกล่าวว่าเนี่ยเลยกล่าวว่าจักของก็ว่ามีญญัตเข้ามา เพราะนั้นชื่อว่าเป็นวิญญัติเพราะคนไม่ใช่ยากม่ใช่ปอบนา <c oughs> <c oughs> เราจะรู้ได้ดก็คือในลนนนักษณะที่มีการผ่าการอะไรเนี่ยนะครับเราถึงจะรู้นะครับโอ้ยคืออายุปอบนามีเรื่องมีราวอะไเยอะนะต้องใส่ใจให้ดีนะครับบางทีเป็นที่ผ้ามั่งเป็นที่โยมั่งอะไรข้าวหลายอย่างมันผ้ขาของเยอะจนา่นาจะนบบาทเลย สมัยก่อนในมีนะครี่ว่าของศสนาใช่อะไรตอนสมัยแรกๆใหม่นะโยมเขาจะศรัทธามากว่าจะมาโบนาผ้านะครับถ้าแต่รูป ก, ก็จะมีโบน า, าคนหนึ่งนะลักษณะนันครับและทีนี้เวลาเขาขอกัระนู่นนะก็มีบางองค์ครับขอทีเนี่ยรายการยา น, นะครับมากมาเลยต้องการอะไรบ้าง น, นะครับเขียนมาเป็ น, นา ร, ย า, นย า, รนายการยางเหยียดเลยนะสารายการเลยนะครับท่านคิดว่า ขอที่เดียวโยมอยู่ได้ไม่ต้องลำบากหะท่านคิดอย่างงี้นะโอ้แต่โยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะโอยตายนะ <c oughs> โดยขอถ้าเยอะไหนลำบากนะครับทีนั้นก็เลยเข็ดข้ากลัวนะครับก็เลยกลัวไปเลยที่หลังก็เป็นหลายคนก็จะจะเจอนะครับพอได้ยินคำว่าปริววานเข้าจะกลัวเนะก็จะกลัวมากเลยนะครับถึงแม้ว่าคําที่ว่าพูดอมาอะไรเป็นคําปรินานนะถ้าต้องการอะไรนะท่าก็บอกโยมได้นะ นะคระนี้แต่เวลาพระพูดว่าอ้าโยยโอมปลวนาธรรมะใช่ไหมเขาจะกลัวออกมาทันทีเลยนะครับท<ม>่านี่เขาพูดออกมาเนี่ยมันเป็นคำปลวนาแล้วนะ<ม>เขาเข้าใจว่าถ้าปลวนาแล้วมันดึงไม่ได้ <c oughs> ต้องให้หรือว่าต้องโดนบังคับกลัวพระจะขอหนักนะขุดลืล่นมาอะไรม้างนะครับอะไรเขาจะกลัวมากเล ย, <c oughs> ยนี้นะแล้วบางทีก็มันผิดที่โยมก็มีนะครับผิดคำปาาลวนาเนี่ย คือถ้าเป็นพูดถึงเราเจหลายสาขาบนข้างหน้านะผู้ดวงจะตากว่าดผู้ดวงตากวาดนะครับคนที่ไม่ใช่ญาตินะครับย่อมไม่รู้นะอของที่มีอยู่ย่อมไม่รู้นะสิ่งที่ควรและไม่ควรนะครับของที่มีอยู่และไม่มีของคนผู้ไม่ใช่ญาติใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าเข้าฐานะอะไรยังไงแค่ไหนใช่ไหมครับเราก็ไม่รู้นะครับไม่รู้กันแต่ถ้าเป็นญาติบางทีมันจะมีความราักความผูกพันอะไรกันดีเป่านนะ มันจะไม่เพลงโทากันง่ายๆหรอกนะครับท่านไม่ใช่อยา่างบางทีมันไม่มีนะอะไรนิดหนอยโอ้ยทำไมเจ้าขอเยอะจัง <c oughs> <c oughs> ทางที่มันอาจจะไม่มากหรอกครับสิ่งที่เราขอจำเราเคยเล่ฟังครับว่าสมัยที่ท่านอยู่ที่ถ้ำโอล์น่ะก็มีคนโยมคนหนึ่งนะมากรวนาครท่านให้ท่านขอนะท่านก็มายอมขอเขาทัทีนะครับเขาก็พยายามพยายามยอนนะใช้ท่านขอให้ได้ขอเถิดพี่ขอเถอด โยมจะทำบุญขอเธอไหมครับขออาจารย์ก็เลยว่าโยมเตรียมตัวให้ดีนะเดี๋ยวจะมาจะขอแนละ้วน ะ, ะอาจารย์ก็เลยว่าขอใบมิโก้หนึ่งด้า น, นะคะแค่ด้านเดียวนะแล้วก็เอาแบล็กลิมิเนีมยมโยมแบลสเตนเล็ตนั้นมันหนักน ะ, คะแค่นี้แหละนะครับโยมนี่เพ่งโท่เลยเนะี่ยท่านไม่เรื่องมากอะไรนะใบมีอลูมิเนียมท่านรู้มาก ม, มันหายาก แสดงนะมีขา ย, ยายเขื่อนแย่ๆโยมไปหาสนุวกเอาแล้วแม่ไมีเงี้ยนะโอ้ยเสียอะไรนะครับทั้งที่แบบขอขอมือนเล็กน้อยมากนะแค่และโยมแบบตอนแรกก็เหมือนกับต้องการจะถวาอะไรเต็มที่นะครับขยันขยันท่านขออย่างนี้แหละนะเพราะท่านขอจริงกลับไปอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดให้ดีเหมือนกันค่ะค่ะนะครับเนี่ยท่านก็อยาจะพูดในฟังค่ะอาจารย์บอกว่านี่นะให้เราจำแม่นะครับ รู้หรือเปล่าว่าทำไมโยงเข้าถึงมาโครนาแล้วคนนั้นคนนี้ที่มาโคร น, นเาเนี่ยพ่อก็คิดว่าเรานะครัเห็นผ้าที่มากน้อยสันโดดเขา้าคิดอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าเเราคิดว่าโอ้โยงมีสปอร น, นั่นเนี่ยมุสามาพครนาแลเวนั่นไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยเพียงเป็นความคิดเรานะครับแต่โยงก็ไม่ได้คิดอย่างนี้นะคิดแค่ว่าโอ้ผ้ารูปเนี่ยมากน้อยสัดดนโดดจริงๆถ้ามากน้อยก็ต้องไม่ขออะไรใช่ไหมครับถ้าขอก็ต้องเล็กน้อยมีจําเป็นจริง่นะ ดีเขาคินอย่างนั้นนะครับวันนี้ก็าม า, านาแล้วนะหรือลักษณะนี้นะครับเ <c oughs> นี่ยอันนี้คือกกประสบกราร์ิเสราเลยนะที่น้าล่าใหฟังนั้นเราก็ต้องดีก็ต้องดูให้ดีนะเวลาขอคนที่เป็นโปรให้นะครับนี่ดีดประโยชน์ก็แล้วกันะกนะเสิที่อยาใช้ดูดีๆต่อไปนะครับอันนี้เ ม, งง ม, นนามาื่อกี้ทำไมอ๋อธรรมนิมินานาพูดไป พระพุทธองก็นะครับประชุมสองนะทองสอบถ้าทรงติเตียนเข้ากันทันงทานนะครับแสดงความเู้ใกปริยาแล้วก็มีอักาตัวนี้ขึ้นมานครับครั้งแรกเนี่ยยังไม่มีในสมัยที่สมโพนยังไม่มีนะครับก็มีเรื่องของพิสุขผู้เดินทางแล้วก็ถุมแยกชิงจีวองไปครับก็โดยสมัยนั้นแหละพิสุร้ายรูปเดินทางจากเมืองสาเกตสู่พระนครสามัถี พ่อโจในระหว่างทางได้ออกแย่งชิงจีวรที่สุเหล่านั้นทีสนะท่สุเหล่านั้นลังเกียดอยู่ว่าการขอจีวอต่อกพ่อเจ้าเรือนหรือแม่เจ้าเรือนพวกมิใชายยา่ญาติพวกมีพระพากเจ้าสรงห้ามไล้แล้วจึงไม่กล้าขอนะครับแล้วถูกแบบก้อนจะแบบเปื่อยบ้านจ้องเลยนะท่านก็ไม่กล้าขอจีวอนใครใช่ไหมครับท่านไม่มีผ้าอหละแล้วก็เดินมาทั้งเปือย น, นะครับก็พากันเปื่อยกายเดินไปถึงพระนครสามวันที แล้วกาวาดพิสุทธิ์ทั้งหลายที่ทั้งหลายพูดกันอย่างนี้ว่าทั้งหลายผู้ที่กาวาดพิสุททั้งหลายเหล่านี้เป็นอาชิวกจริงๆนะครับโอ้คนนี้เป็นผู้อาชิวกขี่เปืยเนี่ยไม่ใช่พระถ่าพระก็ต้องมีเสบงจีวรมีอะไรใช่ไหมครับเนี่ยนะพิสุทในว่าก็เข้าใจว่าเป็นอย่างนี้นะครับพิสุทเปื่อยหล่านั้นก็ตอบว่าผู้กบผมไม่ใช่อาชีวกขอรับผกบผมเป็นพิสุทธิ์พสุททั้งหลาย ได้เรียนท่านพระอบาเหรคว่าแคา่ท่านพระอุบาเหร่ตรวจสอบส่วนพิสุเหล่านี้นะครับพิสุพูกป่วยเหล่านั้นถูกท่านเระาุบาลีร่สอบสวนก็ได้แจ้งเรื่องนั้นนะครับพระอุบาเหร่คันท่านพระอบาเหร่สอบสวนพิสุเหล่านั้ น, น, แ, น, น, น, ล น, นแล้วได้แจ้งแก่พิสุทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายพวกค่วยการเหล่านี้เป็นพิสุจงให้จีวรแก่พิสุเหลาาา่านั้นเถอดนะครับบรนดาลพิสุผู้บ้างน้อยสันโดษตัก็เพ่งเข้าอยู่เตรียมพนทนานะ ว่าไฉ น, นที่ทัศงหลานจึงได้ป่วยกายโดยมาเล่าธรรมดาพิสุควรจะต้องปอกปิดด้วยหญ้าหรือใบไม้โดยม า, ใ, มาใช่ไหมครับอย่างน้อยก็หาอะไรนะใบไม้หายญ้าอะไรนะครัโดยมาที่ครับใบกล้วยแห้งใบอะไรก็ได้นะขอให้ปิดตรงนั้นนะข้างหน้าข้างหลังปิดไว้ให้ดีก็แล้วกันครับหน้ามันเป็นอย่างนี้ที่มไม่แ น, น่จะป่วยมาเลยแล้วก็การยกโดยจารย์สงสาครัพระพุทธ อ, องคพ่อ ทรงทำพรมิถาและก็ตัดกับวิสุท์ทั้งหลายว่าดูก่อนวิสุทธ์ทั้งหลายเราอนุญากให้วิสุทธ์ผู้ถูกโจรแย่งชิงจีวอไปหรือมีจีวอหายขอจีวอต่อข้อเจ้าเลือนหรือแม่เจ้าเลือนผู้มิใช่ญาตได้นะครับอันี่นะเธอเดินไปถึงวัดใดก่อนถ้าจีวอนสงหลับวิหายก็ดีผ้าราดเตียงก็ดีผ้าราดพื้นก็ดีผ้าปูที่นอนก็ดีของสงในวัด น, นั้นมีอยู่ จะถืออาผ้าของสงเหล่านั้นไปหอมด้วยคิดว่าได้จีวรนั้นมาแล้วจากคืนไว้ดังกล่าวดังนี้ก็คัวนะครับอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นเ่เปืนถูกป้อนทั้งหมดแล้วใช่ไหมครับเดินไปถึงวัดใดก่อนก็แล้วแต่นะ่าเห็นจีวรในวัดน่ะวิหารนะครับมันจะเป็นผ้าจีวรหรือไม่ใช่ผ้าจีวรก็แล้วแต่นะมันจะเป็นสีเป็นลายอะไรก็แล้วแต่นะครับได้ปินทู่หรือไม่ปินทู่ก็แล้วแต่ให้เอามาก่อ น, นครับ สขอให้ปิดบางรายได้ก like ่อนนะครับอย่างนี้เอามาได้เลยตอนนี้ไหนมีที่ว่านุ่งผมผ้าสีผ้าลาอะไรไม่ต้องอาบัดคือตรงนี้นะครับพ่อแม่ก็ดีใจจริงจริงแล้วไม่ได้พิมถู่ด้วยนะก็ไม่ต้องอาบัดนะครับเห็นถึงแมไจะเป็น่าท้วยท้าแล้วแต่ขอให้ปิดได้เน well ี่ยบำบัดให้ดีก็แล้วกันนะครับเออขรับคว้ามาตอนะครับเอามาปิดก่อนก็แล้วกันแต่ก็ได้ทํำใจว่าเราิะไปใช้ขี้ขาวนะแล้ว right. ก็จะเอามาคืนนะครับ อันนี้ได้ไหครับอครับเป็เจอในวัดน่าคว้ามาก่อนนะครับโอ้ถ้าเปมนอารมย์จะเป็นไอ้นั้นก็สืบอนามาแต่เนี่ยอยู่ในวัดแล้วนะครับถ้าเขามาก็แล้วกันนะเราไปครันบอกว่าถ้าจีวรสนับมิหารก็ดีผ้าลางเตียงก็ดีผ้าลางพื้นก็ดี ภาพูที่นอากรณีของสองไม่มีเลยนะครับหาไม่ได้นะว่า น, นั้นนะครับต้องปกปิดด้วยหญ้าหรือใบไม้เดินมาไม่คือป่วยกายเดินมาพิสูจน์ได้ป่วยกายเดินมาต้องัตบถุกกดนะครับอันนี้ไม่ได้ครับต้องถูกกดนใบไม้ก็ไม่มได้เออใช่ใช่ใช่ที่ไม่ต้องอวบที่ตรงนี้นะครับสามารถภาพกุฏิกางได้นะ เด็ด ใ, ใบไม้ใบยา้ต้องยากขึ้นมาได้เลยนะครับ ไ, ปปไม่เป็นอาบัตเลยนะครับอันนี้นะพ่อในกรณ์จำเป็นจริงนครับะนั้นจะพูดถึงนะว่าพิสูจน์ที่ถูยแย่งชิงจีวอนอย่างนี้นะครับก็เอาใบไม้กิ่งไม้มาหั่นะครับแล้วก็เอาปอเป็นต้นน ะ, แ ล, ะ, นะาานแล้วก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> <c oughs> มาถักนะครับทำเป็นผ้านุ่งเท่านั้นนะเหมือนคารานหรืออะไรก็ได้ไปิดหน้าน่ะใช่หน้า่างนี้ครับอันนี้ ครับางเตอนอย่างเงี้ยรนะรรื้อผาครับอ๋อเสื้อผ้าเขิขิตเลยไม่ถึงกับเสื้อเลยนะอันนี้นะแต่เป็นพวกเครื่องท่าเครื่องล่างเี่ยนะอะไรก็ไกามเกงหด้การเกงไม่ไม่มีพูดถึงนะเพราะว่าไปที่ว่าไม่ได้ไปที่บ้านอยู่กาบอกว่าไปเจอที่ท yeah, ี่วัด ถ้าจะพูดถึงว่านะครับถ้าเหล่านั้นจะมีชาหรือไม่มีชาก็ตามมีสีสันตาเช่นสีเขียวก็ตามเป็นกัเปรียะม้างกัเปรียบบ้ากทั้งหมดที่ส่วนนั้นควรนุ่และห่มได้ทั้งนั้นนะคะรับหรือว่าเราจะได้เหมือนกันนะแต่แต่ในวัดอะไจีวรการแกงไทยการกินเด็ ก, ก, กว่าง ห, หรือหรื อ, อโพชั่ง <c oughs> มาทานกันงั้นเลยนะทำมาใส่ เอ้ยไม่ได้พูดมันจะมีข้อมีคําว่าเป็นกับปีย่บ้างกับปีบย่าบ้างส่งข้อได้ครับตรงนี้พ่อสถานการณ์อย่างนั้นนั่นก็ต้องมาบังอาจก่อนใช่ไหมครับอยนั้นไม่ได้ทำกัเป็นอยู่อืมครับกัับปีาบ้างครับได้ครับครับได้ครับทีนี้เน่ะก็มีคําที่ในคมัมภีร์บริวาร น, นะ ในนั่เป็นในเสถ่าโมจนะปัญหาปัญหาอยา่อะไรนะท่านโทูบริท่าน ก, ก็ตั้งเป็นคำถามนะครับว่าผ้าที่ไม่ได้ทํากับปะนั้นไม่ได้พินทูเลยทั้งไม่ได้ยอมด้วยน้ำยอมนะครับที่สูบพึง น, นุ่งห่มไปได้ตายปัถนาและเธอไม่ต้องอาบนะก็ทํำนี่พระสุกโเจ้าทรงสแสดงแล้วปัญหาข้อนี้ท่านมูชนาทั้งหลายคิดกันแล้วนะครับก็ได้แก่ผ้าที่มีจีวรหาแล้วก็มาเอาผ้าคนนี้มานุ่งในเอง นี่ครับจีวราหรอที่ท่านไม่เคยเกนะครับถูกจดจ่อป้องชิงเอาไปนะจ๊ะแล้วก็มีผ้าเสียหายเพราะถูกไฟไหมถูกพวกกัดอะไรเป็นต้นนะครับจึงใช้ไม่ได้เลยมันก็เครมีนะผ้าอุบาลจามบางที่เขาปฏิบัติทำในป่าแล้วก็นั่งสมาธิเป็นหน้าหนานะครับแล้วก็ท่านก็นั่งอยู่ใกล้กองไฟนะไฟไหมจีวรนะครับท่านไม่รู้ตัวนะนั่งสมาธินะครับ นี่พอออกมาที่โอ้ยชี่วรเนียวหมูโดนไฟไหม้ ไ, หไปเยอะเลยนะครับนี่เหมือนกันนะครับเนี่ยถ้าลากักษณะนี้ก็ขอได้าหน่ะขอได้หลังแล้วฟองก็มรรยับเป็นสีเทาเป็นเต็มนขึ้นมานครับทีนี้ก็มาดูกางขานะา <c oughs> การขาหน้าหนึ่งร้อยสิกเก้นะครับ โอ้คำที่ว่านี่เดียวไม่ยาวคำที่ว่านี่ยาวคำที่วนี่ยาวนะครับอธิบายอัญญาตะการวิญญาตสิขาบทนะครับข้อหกนะอัญญาตะการวิญญาตคือขอนะครับอันนี้หมายถึงข้อจีวรกับคนไม่ใช่ยาวไม่ใช่ปอนะถ้าข้ออย่างอื่นไม่ต้องไปสิขาบทอื่นนะปัจจัยสี่ที่ไมครับต้องไปข้ออื่น พึงทราบประานที่บาลในอิสขามบทที่หกต่อไปคําว่าข้าบดีหมายถึงชายที่ไม่ได้บวชเป็นพิสุทนะครับไม่ได้บวชเป็นพิสุทสั ม, มเณแอนนี่เนี่ยนะในใจทำไ ม, ม่ทั้งน่านะครับไม่ได้เป็นพิสุทสัมมาแนนคำว่าข้าปตานีหมายถึงหญิงที่ไม่ได้บวชเป็นพิสุณีนะครับ <c oughs> ถ้าในข้าบดีท่านจะใช้คําว่านะาคาว่าข้าบดีคือบุรุษผู้ครอบครองเรือข้าปตานีก็สตรีผู้ครอบครองเรือ อันนี้เนี่ยเป็นคาถาก่อทิไ้คือที่ไม่ได้บวชเป็นพิสุทธิสุนีครับสมัยนี้เขาจะมีสามนี้นะสมณะคู่ครองเรียนเ <c oughs> คยได้ยินไหมครับมันมีสับแสงสแตงขึ้นมานะหรือว่าบัณิตผู้ครองเรือนอย่างนี้นะครับแบบว่ามีอะไรทุกอย่างเหมือนคารวาณีนะมีรถมีแอนมีบ้านมีอะไรส่วนตัวนะคะบางคนถึงขนาดว่ามีความโดนส่วนตัวน ะ, ะให้คนอื่นไปเช่าไปอะไรอยู่ขนาดนั้นนะครับ วิถีชีวิตก็คือเหมือนคาราวานนะครับในกุติที่อยู่นะมีสติลีโอมีหนังมีทีวีมนนานามาทุกอย่างนะแม้แต่ผีอย่างเดียวที่ไม่มีนะครับรูปแบที่จจแปลกแศมี <laughs> นี่นะ <c oughs> เขาก็มีศัพใหม่นครับว่าสมณะผู้ของเรือนเราอนู่สมณะผู้ออกจากเรือนใช่ไหม <c oughs> ไหนะครับผู้ออกจากเรือนก็ไม่มีเรือนนะ <laughs> แต่ แต่นี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมาถึงที่ไม่ได้บวชในพสูี่สุนีนะไม่ได้บวในศาตร์ทำนี้นะครับครับมียมคนน้อยเพราะว่าว่าจะเป็นถวายนะก็คนนี้เป็นตัวที่ดเย็นของท่านนะดูบูมเพราะว่าดีกว่าบ้านโยมดีเพราะาเลกไปเยไม่ที่จะถวายบ้านนั้นเลยใช่ไหยครับ ครับดูดูเชอะไรนะบันครับไม่เว้นไม่ว่างช่องไหนครับของ่เต็มเลยืมครับนี่สมัยนี้ป่านนี้นะลาบากแต่ว่าที่เขาแมานั่นน่ะมีกุฏิติดแอรอะไรดีทุกอย่างใช่ไหมดีคารวาอีกนะครับใช่ครับมีอะไรนะโซฟาชุดแบบเข้าๆน่ะโอ้ ใช่ครับครับผมก็เคยอยู่เคยอยู่วัดที่เป็นลักษณะนั้นนะครับตอนที่บวชใหม่ๆนะถ้าก็มีกติส่วนตัวถือว่าใคล้ายกับบ้านนั่นแหละนะครับก็สร้างส่วนตัวแล้วก็ท่านบองว่าวัดไม่กว่าบางไม่โปรดบวชไม่ลงทุกสิ่งทุกอย่างในวัดนั้นซื้อมาเกือหมดนะครับแม้แต่พื้นที่ที่ดินวัดก็ซื้อมานะครับแม้แต่สังกะสีบ้านที่โยมมาถวนะที่มันได้ซื้ออาหารบ้านนี้นะครับ เศษที่เหลือซื้อหมดเลยนะครับกุฏิที่อยู่เสนาสนะพื้นดินที่เหยียบไปอย่างเนี้ยน ะ, ยาา น, ะ, ะ น, น, นะครับก็ตลอดและอาหารการกินปัจจัยอสิปัจจัยห้าในวัดนะครับซื้อหมดเลยครับเจ้าว่างพ่อซื้อหมดเลยเนะี่ยถ้าจะไปอยู่กับท่านอย่างไงี้ยลบากเลยครับ <c oughs> ที่ที่ทางเหนือท่านจ้ครับ <c oughs> ท่านก็อยากให้ผมไปอยู่กับท่านผมบอกว่าท่าน่าต้องเลิก อ, อย่างนีให้หมดก่อนนะเลิกหมดก่อน จะไปอยู่ได้นะท่านก็บอกไม่ได้ท่านเลิกไม่ได้ครับเดี๋ยครังอครับนั้พักขึ้นก็าดนะครับเออเท้าเนี่ยท่านก็อ่านนะต้องมองดีดีว่าในนั้นว่าอันใช่อะไรนะครับน่งอ้านแบบนั่ ก็ทั้งวันนะครับ <c oughs> ไม่แ เ, เราเหยีบได้เยอะเข้าไปไปทำยังไงแบบไฟของไฟฟ้านะครับประกอบประกอบไปทุกอยาก่างเ <c oughs> ยังไม่อบใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าไปฉันนะครับไปฉันนี่เ็ <c oughs> เป็นอ๋อเนี่ยอาหารที่เขาซื้ อ, อมาหรือว่าของข้านะครับ กับผ้าลาชีครับไปฉันไปใช้ของเขานะ้างั้นโดนเขาท่านไม่ได้ตองโดนครับใช่ใช่ใชบ่บช่ใช่ใช่ใ่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใชัใช่ใ <c> ช <oughs> ่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใ่ใเลยช่ใช่ใ่ใช่ใช่ใช่ใชัใชัใช่ใช่ใช่่่ จะทํำยังไง ม, มันก็บริพร่อรวบไปแล้มันเคยมีไม่ได้ใช้กันนะครับเกี่ยวกับเร่งนิสสกีอะไรถ้าว่าที่นั้น น, นะเจ้าว่าเขาไม่ได้รับมาขอส่นตัวนะครับแต่ว่าถ้ามี็นคนบริหารเงินทองทั้งหมดใช่ไหมในกุฏิที่เหมือนเราจะทํายังไงเขาสำแดงว่าจ่ายแดงปีตั้งนานนะปีแ้กที่จ่ายแดงแล้วต้องทุบ ก, กี่ฏีทิ้งเลยเป็นหลายร้านออย่างนี้นะแต่เวลาหลังจะไม่ ท, มทั้ง่อทีน่ะจะทายัางไง อาจารย์ก็บอกคือไม่มีสั่งเนี่ยเอการที่บอกว่าไม่ควรนะครับถ้าบอกว่าคำว่าไม่ควรในเอกสารที่นั่นนะก็ยังไม่ปรับอาบาททีเดียวครับแต่บอกว่าไม่ควรนะครับแต่ยังไม่ปรับอาบาทเลยครับนี่นะแต่ว่าถ้าเป็นของส่วนตัวของพ้าราะชีนั่นนะแต่นี้ไม่ใช่ส่วนตัวครับท่านบริหารเฉยนะใช้เง็นใช้ท้องนะครับอย่างนั้นน่นก็คือเอามาใช้มาใั้ไม่ได้เลยลำบากนะช่องของส่วนตัวทั้งเลยนะ แัน้นมนใช้มาฉันไม่ได้เลยถ้าถ้าเราใช้เราเล่นกันเราใช้นเนี่ยไม่านบัดทุกกฎ น, นะครับเพราะว่าถ้าเรียกว่าบริพอกร่วมบ้านละชีเราจะไปเจอในฟอกข้างหน้านี่สคีเนี่ยนะนี่สคีนะครับอื่นนี่สคีนะครับเจ้ า, าหน้าแต่ถ้ า, า่าบอกว่าที่ผมซื้อผมใชมาผมก็จะไ อันนี้ก็เป็นของท่านซื้ อ, อ<บ>เป็นแต่ว่าท่านถวายสองเนี่ยเราก็จะไม่โอนผู้กดพ่อบริรพ่ร่วงพ่อไม่ไเป็นของท่านครับมไม่โดนผู้กดตรงนั้นครับก็ได้ครับ ถ้ามัของสองมันก็ได้ เป็นเจ้าผ่าเองคนเดียวพอบวชหลานโดนหมดเลยครัถ้าเร า, านะไปร่วของมาพ่อได้อ๋อหลานเพิ่งบวชใหม่เลยครับโอ้เนี่ยครับ<ห> <c oughs> ถ้าเป็นผ้าแล้วเข้ามาใช้นี่นก็จะโดนครับ <c oughs> ตอนนี้ยังเป็นโยมยังไม่โดนนะจะมาโดนตอนที่เป็นผ้าครับตอนที่ถึงผ้าเสร็จแล้วครับครับ ก็ต้องต้องมาสะาทั้งหมดนะครับพักกันนั่นน่ะแต่ท่านออกต้องออจากว่าหลวงลุงนะแล้วลุงผงกอย้ายไปอีกที่หนึ่งก็อ๋อไม่เป็นไม่เป็นถ้าให้เราเออใช่ใช่ถ้าเราเป็นโยมตอนไปโยไม่ไม่เป็นครับถ้าให้เราตอแรตอนที่เราเป็นโยมก็ถือว่าเป็นของโยม ามาเป็นภาคหน่งก็จะทำไดดเลยแต่ว่าถ้าเป็นภาคเรื่อทใช้อะไรในขั้นตอนของมัน ะี่น่นี่ พ, พวกผ้าถ้าไปทาอย่างงั้นน่ะก็จะตามแบบผู้กนะครับหรือไม่ได้แยร้การ้เราูว่าเาต้องทำ่ี่สุดแบ่งี่อยู่ด้วยเรไปลงกับอนาคชนได้ครับถ้าเขาไม่ได้ต้องขอดีกว่านั้นไม้ไมครับได้ครับให้คนงาบัตรก่อนได้หรือถ้าเขาไม่ได้สนใจาบัตระไรเนี่ยมันคงจะไม่ได้นะ สภาฮะนี่สภาครับผมไม่ได้สนใจนครับอ่บาบัตตุรเดียกันไี่ได้มาจะมีข้อเดียวกันนะมันทีถ้าเข้าไปอารัชีเขไม่สนใจเลยครับานจะปองไม่ได้แต่ถ้าเรารู้ว่าเขาไม่ได้ต้องหรอกแน่ๆข้อนี้ใช่ไหมครับอันนั้นก็ปองได้ครับ อ, อาจารย์มีหนังสือต้องขาหรือยังครับขาองครับอย่างนี้ครับผมนี้ได้ถายให้ครับ ใช้ตัวน่าสูตัวเข้าใจครงบผมเองครับมีอยู่ครับตอนนั้นที่รักสีเดี๋ยวนไม่ได้ใช้หครับนะช่องนี้ยังพรางขาเนื่องสองมีน่าใช้ก็มีนต่อไปนะครับ กลับาหน้หนึ่งว่าสิบก้าขอจีวรแบอคนที่ไม่ใช่พ่อเจะอเดือนแม่ตจเืเดือนผู้ไม่ใช่ยากนะครับต่อไปจะมาขึ้นคาว่าวิญญาปะยะที่เรียกว่าพึงขอแปลว่าขอเองหรือบอกให้ผู้อื่นขอให้เนี่ยก็ไม่ได้นะนะครับแต่ขออย่งก็ดีใช่นะให้พเพื่อนกันเองขอให้ไม่ได้ครับคําว่าอายุตระสำญนาเว้นไว้แต่สมัย ความว่าภิสุใดมีจีวรถุกโจลักไปหรือมีจีวรเสียเสียหายเลยเม้นสมัยเช่นนั้นเสียเมื่อภิสุนั้นขอจีวรในสมัยอื่นเพราะความพยายามในการขออันนี้ต้องอาบัติกฎก่อนนะครับได้มาต้องอาบัติเสกเกียปาริตีสิครับคนี้ควรสร้างวิธีการสละโดยในนี้ว่าอีทางเมพันเต จีวรามัญญากต่กลงข้าปฏิกรรมอเนตรัสสามัญวิญญาปีตังนิสกิยังถ้าไม่จเจริญจีวรของกระผมนี้ขอกับข้ามบัณฑีที่ไม่ใช่ยากเว้นสมัยต้องบัณฑนิสกิยาป่าจิติแล้วก็สลับกันกนะกระสงขนาหรือบุคคลก็ได้เปลี่ยนแต่คาสนับแค่นี้เองประเภทอาบัตเป็นต้นเอาขนาะและต้องคืนให้เหมือนกันนะฮะนี่ นิสกีตรงนี้นะสถานะก็ยังคืนให้นะครับว่างนนี้เคขาเนี่ยที่เราเจอมาเนี่ยสถานะต้องคืนให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวจะไปเจอข้างหน้านะบางอยากเป็นนิสสกีสถานะไม่ต้องคืนให้นะครับอย่างเช่นเงินทองเนะี่ยสถ า, า, านะ3 2 3นั่นอย่างเดียวแนละ้วแต่ไม่ไม่คืนให้นะร่านะเไม่ม <c> น <oughs> กานคืนให้ยิ่งวิธีทำอีกแบบหนึ่งแต่นี้เราจะได้รู้ว่านิสกีบางอย่างสถานแล้วก็ต้องคืนให้แต่บางอย่าง ก, ก็ไม่ต้องคืนให้ แปรเพออาบัตเป็นต้นสิกขาบทนี้พิมพภาเจ้าทรงปาราบพระอุปนันทะในเมืองสามวัฏฏิบญญางใหญ่ไว้แล้วเพราะเหตุคือการขอจีวรคำนี้ว่าเว้นไว้แต่สมัยเจตจันทร์เป็นอนุบัญญัติในสิกขาบทนี้สิกขาบทนี้เป็นสามพรหน้าบัญญัติพิสุนี้ก็มีนะครับอนัติกะไม่เกี่ยวกับใช้ตอนนี้ใส่ใจใดี เมื่อกี่บอกว่าขอเองหรือว่าใช้ผู้อื่นขอก็เป็นอาบัตใช่ไหมครับทำไมตอนนี้มาบอกว่าอนานติการไม่เกี่ยวกับการใช้นะครับตรงนี้มันจะมีความต่างอะไรนิดนึงคําว่าให้ผู้อื่นขอเมื่อกี้น่ะหมายความว่าใช้เข้าขอเพื่อเราครับเราใช้ผู้ื่นเขาขอมาเพื่อเรานะมันก็เลยเป็นอาบัตแต่ที่ว่าเป็นอนานติการนี้น่ะไม่เกี่ยวกับการใช้หมายความว่า ถ้าเราให้เข้าใช้เขาไปร่วงละเมื่ออาบัตินี่เองนะครับให้เข้าไปขอจีวรหน้ากับโยคนไม่ใช่ญาติเพื่อลูกเขาเองครับอันนั้นเราก็ไม่ต้องอาบัติในข้อนี้นะอันนั้นติการเป็นอย่างนี้นะครับใช้เข้าไปทำอันนั้นผิดล่วงละเมื่ออาบัติตรงนี้นะครับเราก็ไม่ต้องเข้าต้องเองแต่ถ้าใช้เข้าไปขอมาเพื่อประโยชน์แกเราเนะี่ยอันนี้เราก็ต้องอาบัตินะครับ่นี้เนี่ยผมเขียนสรุปว่า ที่ขอก็อขอเพื่อประโยชน์แก่ตนนะครับแต่ถ้าใช้พิสูจอื่นขอเพื่อประโยชน์แก่เขาเองนะครับพิสูจผู้ใช้ไม่ต้องอางบัตรในสิทธาบทนี้เพราะข้อนี้เป็นอนันติกายนี่เกี่ยวกับารใช้แต่ก็ต้างบัตรทุกคนเพราะว่าไปให้เขาสมาทานสิ่งที่ไม่สมควร น, นะครับเนี่ยก็ไม่พ้นใช้พิสูจอื่นครับขอเพื่อพิสูจอื่นนั่นอเองนะครับหรือว่ใช้พิสูจนก็พิสูจน์ก็ เคยไปขอกลับกับยูแมนนะก็อยู่เดียวนแหละครับอ๋อนี่เราไม่ต้องนิสสกีก็้อมาแบบรกรนะครับเพราะว่า้เข้าสมาธิี่นก็เป็นนิสสกีครันี่นี่นะครับตีกลางตาจิตตี้ครับครับครับข้วนขหครับ อันนี้เราเป็นนิสสกีนะครับมาสิกาไปอีกตีแล้วนะครับติกาไปอีกตีในข้อนี้คือเราฆ่าบดีนะไม่ใช่ยากิเหมนตัวตังค์เขาไม่ใช่ยากรู้ <lasers. S 1> ทั้งรู้รใช่ไหมครับสงส า, ารเขาจะผินะครับแล้วไปขอมานะครับต่อับบนั้นนะครับทุกที่ขอย่านะครับเป็นญาตเราดีแหมนะ แต่ไปสําคัญว่าไม่ใช่ญาตหรือมีความสงสัยยังต้องอาบักิทุกอกสงสัยยิ่งโดตลอดท <c oughs> ั้งที่มันถูกแม่น่เนี่ยไปสงสัยว่าไม่ใช่อีกครับถึงไปขอไปทำข้าว่ายังต้องทุกอกนะครับ <c oughs> อาณาบัต น, นะครับพิสูจไม่ต้องอาบัเมื่อหนึ่งขอในสมัยขอได้นยจีวอถูกชิงไปหรือว่าเสียหายสองขอกับญากและคนปรวรณาน ีนคนรนะสามขอเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นในที่ญาตและคนปวน า, าของพิสุขอื่นนั้นนะครับหมายความว่าเราไปขอให้เพื่อนนะขอกระยาปวน า, าของเพื่อนรุ่นนั้นเอามาใ้เพื่อนรุ่นนั้นแหละนะครับสมมว่าทันเตยนำรงใช่ไหมท่านมียมพ่อยมแม่ใช่ไหมครับผมก็ไปขอยมพ่อยมแม่ทันเตยเลยเพื่อมาให้ทันเตยได้เลยนะครับอันนี้ไม่เป็นธารมะ ไม่เป็นอาบัตเลยของกัญญาคุณเตยก็ดีของอโรนาคุณเตยก็ดีเพือพ่อคุณเตยเองครับผมเป็นคนขอให้ไม่ต้องอามบัต น, นะครับ อ, นนอย่างนี้นะครับเจะมีกรณีพิเศษต่อไปสี่ได้ามาด้วยกันได้ามาด้วยทรัพย์ของต้นนี่ก็ไม่ต้องอาบัตนะมันก็ใช้กับพิญญาพันนะมีอะไรล่ะได้าาเป็นต้นแล้วแต่ของที่มีได้ของเล็กน้อยมานะครับ ก็ไปแรกเอาด้วยกับปิยาบุหานะเราเจาข้างหน้านที่บอกว่าไปแรกของกับควิหารเนี่ยไม่ได้แตบัณสิคตคีมกันใช่ไหมครับแต่ถ้าเราใช้กับปิยาบุหานี่ก็แลกได้เหมือกันนะครับเราบอกวาโยมอาตมามีสิ่งนี้แต่อาตมาต้องการสิ่งนั้นระบุไปเลยนะสิ่งนี้มีอะไรก็มีสูตรแปนสิบปัญญาสิบฟังแป้งนักท้งนโยมอาตมาต้องการอะไรลนะ่ะ มือถือเครื่องนึงมันจะสมกันหรือเปล่าเนก็บอกกันนะครับเรต้องต้องสมกันครับจะไปโกงไปอะไรราคาเขาไม่ได้นะเราจะมีโทษสามารถปรับอาบัตต่างราคาของได้เหมือนกันก็ถ้าจะไปกลงราคาเขานะต้องดูของให้ดีนะครับอันนี้แล้วก็บอกเรามีอันนี้ต้องการนะครับมันเคยมีนะครับท่าก็ขึ้นล่องไปนะแล้วท่านก็ไม่มีตังค์นะครับแต่ว่าเนที่มากหาท่านอ่ะ พอของมันไอมัเยอะแยะนียของเล็กน้อยที่ได้มาเนี่ยมันโลกมันขนมาแบบเต็มเลยนะครับทีนี้พอคืนน้องก็บอกไม่มีเห็นก็ไม่มีเขาก็จะเอาให้ได้นะท่านก็บอกเนี่ยมีแต่ของนี่แหละนะครับเข้าไปหมดเลยครับที่เนรุษะขนฐาเข้าไปหมดอะไรนะครับเหมือนนั้นลาบลาบลาบหมดเลยนะครับาาลอยขึ้นไม่มีอะไรขึ้นแล้วนะครับก็ไม่ไล่ลงนะ ก็จะเอาของไปหมดเลยนะครับวิวสิไม่แน่ใจว่าที่จะมาหัวหินหรือเปล่าครับถ้ารับทัวร์เขารับทัวร์ครับก็พี่ถาวรนะครับแล้วเขาพาเองมาโดยหมดแน่ๆกรุงเทพมาหัวหินนี่แหละเพราะว่าจากที่ว่าเขาท่ามากรุงเทพนี่ก็ที่ว่าเ้าส่งอยู่แล้วนครับเราจะมาต่อที่นี่โดนเลยครับก็เอาของหมดเลย ครับครับต่อไปแล้วก็พี่สู่บ้านเป็นต้นนี้ก็ไม่ต้องอะไบครับสิขาบนนี้มีองค์สี่นี้คือหนึ่งเป็นผ้าพอที่จะพิกลได้นี่น่าได้ขนาดนะครับสองไม่ใช่เวลาที่จะขอได้นะไม่ใช่สมัยนั้นนะครับที่ว่าถู ก, ถกชวรีไปเป็นต้นสามขอกับบุคคลผู้ไม่ใช่า ย, ยากนะครับ สีได้มาด้วยการขอนะั้นเมื่อเขาปงสีนี่ก็ต้องบัดไปที่นาสิกาบท น, นี้ครับผมสงสัยเหยื่อในข้อที่หนึ่งนะว่าเป็นผ้าพอที่จะวิกลับได้ถ้าผ้าที่มันเล็กเกินขนาดเนี่ยมันวิกลับไม่ได้เอาเป็นผ้าที่น่าผืนเล็กๆใช่ไหมครับถ้าเราจะต้องอาบายบัะก็พยายามดวนาฏการดูอะไรก็ไม่เจอครับไม่ได้บอกเป็นามบัดอะไรนะครับบางคนไม่ใช้ยาไม่ใช่โณวิดแน่น เรื่องขอได้พ่อนี่จะคีในข้อนี้ก็ต้องขนาดด้วยนะจีวอนที่พอมีกลับด้ที่ว่าคุณห้าสิบนะครับถ้าอะไรก่อนนั้นก็ไม่โดนในข้อนี้นะครับงั้นก็จบไปดูว่าโดนทุกกฎโนอรอย่างอีกนหรือเปล่าก็ไม่เจอก็ยังไม่เจอไม่เจอก็ไม่เอานะอ้างถ้ามีเจอครับอ่าสมุดฐานเป็นต้นเป็นเช่นเดียวกับกันกับสินค้าบทที่สี่เลย ก็คืออะไรนะรมีสมุทฐานหกผมเขียนมาให้หน้าในถ่ายเอกสารฉบับใหม่นะมีสมุทฐานหกเลยนะครับเป็นกิริยาเข้าพอกกรรมการข อ, ขอนะโนสัญญาไม่โมกไม่รู้ก็ไม่โพส อ, อ จ, จิตกะนะครับจะรู้ไม่รู้ต้องบัทั้งนั้นปณิวัชามไม่เป็นอรุสโสนจิตอย่างเดียวแค่ น, นี้นะการยกรรมก็ได้วจีกรรมก็ได้มีจิตสารวิธนาสาเหมือนกัน ก็นี่ก็จบนะครับจบไปโคครับใช่ไมคือถารามีบัตรเตริมเงแทนนะค ร, รับเจ็ดบัตเติมเงเยอะสหรับว่าอาตามาไม่มีตมัตต ง, ตงแต่ตตไไมีัตรเแต่ำอาตมาไม้อาตมามีสิ่ง น, นี้มีบัตรเติตงเงินนะครับแต่อาตมาต้อง ก, การึ้นรถใช่ไไปที่นั่นนะครับก็ได้ ได้ได้ถ้าได้ครับเพราะว่าอบัตตำเงินไหนก็ไม่ถือว่าเป็นเงินเดือนต่อไหนนะครับนีไม่ถือว่าเป็นเงินโดยต่อก็ได้ครับใช้แทนไม่ได้แต่อันนี้ไม่ใช่กรบียโวุหานะบอกแต่ว่าเรามีอันนี้เราต้องการขึ้นรถนะครับแบอกได้แค่นี้มันไม่แได้นี้ก็โดนครับไม่ได้เลย บอกด be ้วยามีอ <McK en na> ันนี like ้ต้องการนั้นแหลแค่นี้เองครับเนี ments, ่ยบอกได้แค่นี้นะครับมากกว่านี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าว่าเราขึ้นไปในโลกนั้นนะเวลาจะไปแลกอาหารนี่ก็อย่างได้เขามีตัวให้แลอาหารได้ใช่ไหมครับตัวเราเราบอกโยมตามามีตัวหนึ่งใบตามาต้องการหาอะไรบอกไปนะครับแต่ถ้าว่าเขาถามเราเลยนะถึงเรายังไม่ได้บอกของสินีเขาถามาเลยเลยถ้าคุณเจ้าต้องการอะไรเราบอกได้เลยนะครับในสิ่งที่ ในสิ่งที่เขาถามนะครับเราก็บอกได้เนะครับเข้ามันแกลเข้ามันแกงทุกไ้แล้วเขาก็เอาใบลงไปนไป้วก็ยัเป็นไงนครับอันอนี้เครื่องสีขามบทต่อไป